เย็นี้วันเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพห้า้อยห้าสิบห้าช่วงนี้นักศึกษาแพทย์มีดลได้เข้ามาบวชตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเป็นวันอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและก็มีพระที่เป็น สหธรรมิกที่บวช ด, ด้วยกันในคราวนี้ทั้งหมด14รปูปเป็นสมณีน1รู1รปเป็นพระ13ารปูปเพราะนั้นทางวัดเราหลวงพ่อเห็นความสำคัญในการบวชของลูกหลานพระลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังจะต้องได้รับการอบรม จะต้องได้รับการศึกษานแนวทางปฏิบัติถ้ามว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าของวัดแล้วกับพระในวัดไม่ให้ความสำคัญแล้วพระที่เข้ามาบวชใหม่จะเรียนรู้เรื่องหลักพระธรรมวินยัยหรือเรื่อง ศีล ส, สมาธิปัญญาในหลักของพระพุทธศาสนาก็คงเป็นไปได้ยากเพราะตัวเองจะค้นคว้าศึกษาเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นความสําคัญแล้วว่าเห็นคุณค่าต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเหล่านี้จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นแพทย์เป็นหมอรักษาพี่น้องประชาชน คนทั้งชาติและคนทั้งโลกผู้ที่จะเป็นหมอจะเป็นแพทย์เป็นหมอต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประจำกายวาจาใจโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขทุกท่วนหน้ากันถ้าว่าลูกหลานเป็นหมอดำเนินชีวิตหมอแต่มีแต่พาณิช หมอพาณิชย์คิดอะไรมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองทั้งหมดโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าโลกทั้งโลกเหมือนกับรถทกคันที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะต้องเข้าอู่ไม่มีรถคันไหน ที่จะไม่เข้าอู่นี้ก็เหมือนกันคนโลกทั้งโลกเกิดมาเป็นหลายพันล้านเกิดมาในโลกหลายพันล้านคนแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าโรงพยาบาลเมื่อมีความจำเป็นไม่ส่วนใดก็ต้องส่วนหนึ่งไม่เรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งในสุขภาพร่างกาย เพราะนั้นหมอจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งต่อเพื่อนมนุษยชาติแต่ถ้าหากว่าหมอก็เหมือนกับเจ้าของอู่เจ้าของอู่ไร้จริยธรรมไร้คุณธรรมเวลาเอารถเข้าไปอู่ก็เปลี่ยนแปลงรถคันนั้นรถที่เขารักมาก ที่มีราคาแพงเราก็เอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าจะได้กำไรสวมใส่เข้าไปทั้งที่รถคันนั้นจะมีคุณค่ากับด้อยคุณค่าลงเพราะว่าสิ่งที่เอาในอู่นั้นมองเห็นแต่กำไรเห็นแต่ผลกำไรยัดอะไรสิ่งของเข้าไปในรถคันที่เขาราคาแพงนั้น แต่ว่าเมื่อเจ้าของรถรู้เข้าก็คงเสียใจว่าเจ้าของอู่ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีนี้ก็เหมือนกันหมอก็เหมือนกับอู่รถถ้าหางว่าหมอไรจริยธรรม คนเข้าไปรักษาล้วนแล้วแต่เป็นพาณิชย์เพอเอๆตัดอวัยวะของเขาออกไปขายไปเป็นสินค้าทั้งที่เขาญาติพี่น้องของเขาก็ไม่ได้เข้าไปดูในขณะที่พ่าตัดอาจจะเอาไตาหรืออาจอะไรก็ได้ออกไปขายเป็นไปได้ทั้งนั้น ถ้าว่าหมอขาดจริยธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมในใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้สอนให้ทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าหมอไม่ว่าครูบาอาจารย์ทุกวิชาอาชีพให้มีจริยธรรม ให้มีศีลธรรมให้นึกดูว่าเขาเราเขามีความต้องการอย่างไรเรามีความต้องการอย่างไรถ้าว่าเราเข้าไปหาหมอหมอเข้าไปหาหมอแต่ว่าหมอกลุบนั้นไม่มีจริยธรรมก็มาผ่าตัดหมอด้วยกัน เอาไตาของเราไปขายซะแต่เมื่อเรามารู้ภายหลังว่าหมอกลุ่มนั้นเอาไตาของเราไปขายอย่างที่เราได้ยินหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวออกมาในช่วงหลังๆกๆ่อนๆแต่จะเท็จจริงยังไงเขาก็ลงข่าวกันพูดกันเกี่ยวกาวไปหมดทั่วประเทศไทยถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราเป็นหมอเราจะมีความรู้สึกอย่างไร เราเสียใจไหมในเมื่อเขามาทำกับเราในเมื่อเราเสียใจเราก็ไม่ควรจะทำให้คนอื่นเขาเพราะการทำเช่นนั้นทำให้คนอื่นเขาทุกเสียใจทั้งตัวเขาด้วยทั้งวงศาคนาญาติของเขาด้วยไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะเอาตัวไหนมาทดแทนอีกพอมันเสียหายไปแล้ว จะเอาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาทดแทนเขาก็มีอยู่แล้วเงินแสนเงินล้านเงินร้อยล้านเพิดเปอดเป็นพันล้านแต่ซื้อคืนไม่ได้เพราะมันออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นหมอมีหน้าที่รับผิดชอบก็ขอให้พระลูกพระหลานได้คิดไว้ คิดไว้แต่ล่วงหน้าคิดไว้แต่เนิ่นเนคิดไว้แต่เดี๋ยวนี้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นหมอมีคุณภาพมีหมอที่มีฝีมือในการผ่าตัดหรือฝีมือในการวางยาหรือฝีมือในเรื่องหมอประเภทไหนก็ตามขอให้เราคิดไว้อยู่เสมอว่าผู้ที่เข้ามารับรักษากับเรานั้น คือพี่น้องของเราญาติพี่น้องของเราเป็นผู้มีอุปกรคุณสำหรับเราเพราะเราได้เรียนวัดแพทย์เรียนหมอก็เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนเราอาคารที่เราเข้าไปเรียนก็เป็นเงินภาษีไม่ใช่เงิน ของเราไม่ใช่แต่เงินตระกูลของเราตระกูลเดียวไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่ของเราพูดง่ายๆเป็นเงินของภาษีพี่น้องประชาชนคนในชาติเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเข้าไปศึกษาราคาแพงๆทั้งนั้นที่เขาสั่งเข้ามาจากต่างประเทศเพื่ออยาให้หมอได้เรียนแล้วก็อยากให้หมอของเราหมอในชาติของเรา เท่าเทียมกับอารยประเทศเขาที่เขาเจริญแล้วหมอเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนราคาแพงหมอที่เป็นอาจารย์ก็ตั้งสั่งเข้ามาเพื่อจะให้หมอของเราได้เรียนรู้ให้เทียมเท่ากับประเทศอื่นเขาที่เขาเจริญแล้วอันนี้ก็เครื่องมือเหล่านั้นก็ล้นแล้วแต่แพงๆเงินมาจากไหนก็เงินของภาษีพี่น้องประชาชน รูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราเขากินเงินเดือ น, อนของใครก็กินเงินเดือนของภาษีพี่น้องประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราจบมาแล้วเราจะว่าผลกําไรอย่างเดียวเราคิดแต่ผลกําไรอย่างเดือนเราไม่ได้คิดถึงทุนอันนั้นแปลว่าเราคิดสั้นเกินไปเราฮิตเราคิดเห็นแก่ตัวจนเกินไปเราต้องคิดย้อนไปถึง การลงทุนผู้ที่ลงทุนให้กับเราคือใครผู้ที่ลงทุนให้ให้กับเราก็คือพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติให้การสนับสนุนเราถึงจะไม่พูดว่าให้การสนับ ส, สนุนก็จริงแต่เงินเหล่านั้นเงินเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเอามาสนับสนุนในอาคารทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่า อาคารไหนไม่ว่าพิาพากษาอายการโรงเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาอะไรลามคำแหงล้วนแล้วจะเป็นเงินภาษีทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านไม่ว่าแต่แพทย์ไม่ว่าแต่หมอไม่ว่าทุกสถาบันเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเราก็ต้องคิดล้ำลึกถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าว่าอันนี้คือญาติของเราผู้ให้อุปการะคุณผู้ให้พระคุณสําหรับเรา เราต้องน้อมนำลึกลำลึกอยู่เสมอว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผู้มีพระคุณก่อนเป็นบุพาการีก็ไม่น่าจะผิดบุคคลผู้มีอุปการะก่อนแล้วเราจะตอบสนองหรือว่าเราจะแสดงความกะตันอยู่กะตะวีทิตาในท่านเหล่านั้นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับ พวกลูกหลานนักศึกษาที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อเองเป็นแต่เป็นพระจะแก่ชราไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็จะป่าเข้าไปเจสิบแล้วแต่ว่าเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงประเทศชาติบ้านเมืองนีแต่แนะนําสั่งสอนให้ลูกหลานให้เป็นแนวความคิดเป็นแนวศีลธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจ มิใช่ว่าเราะมองเราจะมองเห็นแต่ประโยชน์หรือว่าการค้าพาณิชย์เท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็ใช่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดเอาเเลยแต่เราก็ต้องบวกลบคูณหารดูว่าเขาเราเราเขาย่าให้มันเกินไปถ้าเกินไปแปลว่าพาณิชย์เราขาดน้ำใจเราขาดเมตตา เราขาดจริยธรรมแต่ถ้าว่าพอเหมาะพอสมอันนั้นแปลว่าถูกต้องการทำวิชาอาชีพก็ต้องมีได้ผลกำไรในการดำเนินการนั้นๆแต่ก็จะให้มันเกินไปถ้าเกินไปแปลว่าขาดเมตตาขาดน้ำใจขาดคุณธรรมในใจ น, นั่นไม่ถูกต้องเป็นที่ตําหนิของปราดบัณฑิตนักปราดเขาตําหนิแต่ภาลชนด้วยกันแล้วก็จะเห็นดีด้วยกันเพราะเป็นภาลชนแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราดแล้วเขาจะตําหนิบอกว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรจะทํานะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองจึงขอฝาก ไว้กับทุกหมู่พวกเหล่าลูกหลานทุกองคที่จะจบที่จะทํางานต่อไปภายภาคหน้าและก็พร้อมกันที่พวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาบวชในครั้งนี้คราวนี้เรามาศึกษาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องศีลธรรมมีหลายระดับเราจะศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัส พูดไว้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทานคือการเสียสละการอยู่ด้วยกันในเพื่อนมนุษยชาติต้องเป็นผู้เสียสละแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นภาษาโลกเราก็บรกว่าการเสียสละหาเงินมาด้วยความยากลำบากแล้วไปให้คนอื่น แต่ว่าเราให้แบบโง่โงเสียเปรียบถ้าเราคิดแบบโลกโลก้อีกเราไม่ยอมให้แก่ใครได้มาแล้วก็กินใช้ถ้าให้ก็ให้แบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยว่าแรงงานเขาทำงานมาเราก็ให้ตามแรงงานที่จะยอมเสียสละให้แก่ บุคคลทั่วไปอย่างหูหนวกตาบอดบ้าใบหรือสาธารณประโยชน์เราไม่ให้เพราะเสียเปียบให้พ่อให้แม่ก็ไม่ได้เพราะเสียเปียบให้พี่ให้น้องก็ไม่ได้เพราะเสียเปียบให้พวกเราคิดตูให้ดีกัแล้วกันว่าคนเช่นนั้นจะมีวงสาคนาญาตจะมีญาตพี่น้องเข้าไปเกี่ยวข้องไหม คนนั้นเขาจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะไม่มีน้ำใจไม่มีความเยื่อใยในหมู่คณะในหมู่ญาติแต่ถ้าว่าผู้ใดส่แสวงหาทรัพย์มาโดยทางสุดจริตแล้วรู้จักแบ่งปันญาติพี่น้องตกทุกแตได้ยากเราก็เสิเหลือเผื่อแผ่ให้เขาพอประมาณแต่ไม่ใช่ให้ทั้งหมด พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะ ก, ะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาอย่างไรกับท่านทั้งสองนั้นนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกลูกทั้งหลายจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือ น, น้ำใจพ่อแม่ให้เรามาท่านยังให้ได้ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารให้ทุกอย่าง พวกเราเกิดเป็นเด็กแบบเบามาเรามีอะไรผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตัวออกมามีตัวเปล่าออกมาจากท้องแม่จากนั้นแม่พ่อแม่ก็ต้องดูแล้วดูอีกเลี้ยงจนเราเป็นใหญ่ขึงมาขนาดนี้พ่อแม่เป็นผู้เสียสละไม่มีพ่อแม่ใด ว่าค่าใช้จ่ายในลูกคนนี้ใช้จ่ายเท่านั้นใช้จ่ายเท่านี้เป็นเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ละวันแต่ละเวลาไม่มีพ่อแม่ใดท่านผู้ใดที่จะคิดเป็นเงินออกมาเพราะว่าความรักในใจของพ่อแม่นั้นยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนั้นเขาจะต้องคิดค่าใช้จ่าย แต่สำหรับเลี้ยงลูกแล้วไม่มีไม่มีพ่อแม่คนใดที่เขาจะคิดว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเลี้ยงลูกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนกระเพาะอะไรเพราะว่าพ่อแม่รักลูกยิ่งกว่าทรัพสมบัติใดๆสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดในเมื่อท่านทำให้กับเราอย่างนั้น พวกเราจะทดแทนพระคุณท่านเราจะคิดเป็นตัวเงินออกมาว่าให้พ่อแม่เท่านั้นแล้วเท่านี้อย่างนั้นเหอ่อแสดงว่าเราเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเห็นแก่ตัวพ่อแม่ให้เราท่านให้แบบไม่คิดแต่พวกเราให้พ่อให้แม่นี่ยคิดทุกบาททุกสตังค์อันนี้ถูกต้องไหม สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อเรามีพอพอมีอันจะ ก, กินเราก็ต้องเฉลือเผื่อแผ่พี่น้องลูกหลานวงสาคณะญาติแล้วก็เก็บไว้ในเมื่อคราวเมื่อคราวจําเป็นอันนี้เราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นการเสียสละหรือพอาการมีน้ําใจ ต่อเพื่อนมนุษยชาติอันนี้จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่นานวสอนจะว่าให้ทานคนที่มีเมตตาคนที่มีน้ำใจคนที่มีการเสื่อเพื่อแพ่ไปนสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของเพื่อนมนุษยชาติไม่ว่าตกน่าสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับใครๆก็อยากจะพบใครๆก็อยากจะเห็นใครๆก็อยากจะเข้ามาคบค้าสมาคม ใครๆก็อยากจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครๆก็อยากจะรู้อยากจะให้เขารู้อยากจะให้ท่านรู้ว่าเราเป็นใครเราเข้ไปหาท่านในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราอาจจะได้ขอท่านท่านก็จะพร้อมที่จะให้เพราะท่านเป็นผู้มีเมตตาแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดขี้ตันีทีเหนียว ยังไม่ให้คนอื่นแล้วไปเห็นคนอื่นมิจจะจะคดจะโกงจะเบียดจะบังเอารัดเอาเปรียบเขาอีกแล้วใครจะมาเป็นพี่น้องใครจะมาใกล้เราใครเห็นก็กลัวไปหมดวิ่งหนีให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีน้ําใจคนไม่มีเมตตาคนเห็นแก่ได้คนเอารัดเอาเปรียบคนอื่น สิ่งเหล่านี้พวกเราให้คิดดูอันนี้พูดสุดตรงพูดพูดชุดตรงให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่อาจจะไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีส่วนถ้ามันเป็นอย่างนั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้ก็คือทานส่วนศิลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลศิลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ สำหรับครวาสญาติโยมก็คือสินห้าสินห้าเพียงศินห้าเท่านั้นก็ปิดอบายูมะพไม่ตกนรกแล้วถ้าผู้มีสินห้าคือไม่ฆ่าสัตว์คือไม่คิดฆ่ากันไม่คิดฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเพราะสัตว์ทุกชีวิตของเขาเขารักของเขาถึงจะเป็นจิ้งจกตุกแกเออ่เป็นหมูหมากาไก่ ถึงเขาจะเป็นฉัดอย่างนั้นเราก็บอกเออให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติจะให้มาเกิดเป็นมนุษย์จะเขาก็ไม่ยอมเพราะเขารักอย่างพวกเราขี้ไล่ขี้เลหหูหนวกตาบอดอย่างไงเออไม่สวยงามเหมือนกับคนอื่นเขาทุกจนอีกต่างหากฆ่ามันสะให้มันตายแล้วมันเกิดใหม่จะเอาไหมพวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันถึงยังไงก็ยินดีในการเป็นอยู่ของแต่ละ ของแ ต, แต่ละชีวิตนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เคารพสิทธิ์ของสั ป, ปสัตว์ทั้งหลายเพราะเขารักชีวิตของเราไม่ว่าสัตว์เดฉานไม่ว่ามนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นธรรมมาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยธรรมมาธิปไตยเป็นธรรมจิตที่พระองค์เป็นธรรมมีเมตตาธรรมในใจ ท่านมองเห็นสปปรรพสัตต์ทั้งหลายเขาเราเขากลัวยังไงเขากลัวทุกอย่างไรเรากลัวทุกอย่างนั้นเขาโกอดอยังไงเราโกอดอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าพี่น้องวงศานาญาติของเขาพ่อแม่ของเขา หรือว่าเป็นที่รักเคารพของเขาเขาจะเสียใจไหมถ้าเขามาฆ่าเราอย่างที่เราไปฆ่าับให้กับเขาครับพี่น้องที่รักเคารพหรือว่าเป็นที่รักของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือเขาเราใจเขาใจเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าญาติพี่น้องของเขาญาติพี่น้องของเราก็ามา เป็นแพทย์เป็นหมอมารักษาเราเราไปรักษาเขาเราไปขโมยอวัยวะของเขาเขามาขโมยอวัยวะของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละเข้ากันกับสินห้าข้อที่หนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดชีวิตเขาชีวิตเราเขาเราเอาความคิดของเขามาใส่ความคิดของเราเอาความคิดของเราไปใส่ความคิดของเขา เขาเราไม่ต่างกันเพราะเป็นความคิดอันเดียวกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกลัวตายเหมือนกันเพราะฉนั้นพวกเราเป็นชาวพลลุทธแล้วลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องนํามาวิเคราะห์พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาวิเคราะห์การกลองไตรตรองด้วยเหตุและผล เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลพร้อมที่ประกาศพระศาสนาออกมาอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาทานทานาเวรมณีการขโมยสิ่งของของคนอื่นที่เขารักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรอะไรที่รักสมกูกเขามาขโมยร่างกายของเราไปเรียกค่าไถ่ เราเสียใจไหมขณะที่เขาเรียกค่าไถายหรือว่าเขาจับตัวของเราเป็นตัวประกัน เ, นเราเสียใจไหมเมื่อเขาจับเราเป็นตัวประกันหรือเราขโมยเขาขโมยพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไถา่เราเสียใจไหมในเมื่อเขามาเรียกค่าไถ่พ่อแม่ของเราอันนี้คือเขาขโมยบังครับ รถที่ราคาที่เราซื้อวัาของแพงๆเงินคำทรัพย์สมบัติเพอเพอเงินอยู่ในธนาคารเขายังเบียดบังปลอมแปลงเอกสารขาโมยเอาเงินของเราออกไปเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเมื่อเขาขาโมยออกไปถ้าเราไปทำให้กับเขาแล้วเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันนี่แหละสินข้อที่สองพระพุทธเจ้าบัญญัติมีเหตุผลไหม พวกเราให้คิดกันกลองไต่ตรองดูด้วยปัญญาศิลข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างรักด้วยการทั้งนั้นถ้าเราไปทําไม่ถูกต้องไปกระชากลากูหรือไปกู่บังคับด้วยอํานาจวาทศนาอะไรก็ตามถ้าเขาไม่ยินยอม พ่อแม่พี่น้องของเขาเสียใจไหมเสียใจถ้าเป็นของเราเราเสียใจไเสียใจเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันให้มีเมตตาต่อกันให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้รักกันมีเมตตาต่อกันอันนี้แหละคือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาวรมณีโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาเสียใจ ถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราโกหกเราเอาของปลอมบอกว่าของดีมาหลอกเราเราก็เชื่อเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่แท้ๆคือเขาโกหกเราต้มตุนหลอกลวงเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเกิดมาทั้งโลกโลกทั้งโลก สอนวิชาอะไรมีตะโกหกหมดทำอะไรมีตะโกหกต้มตุนหลอกลวงกันทั้งหมดโลกทั้งนี้โลกทั้งโลกเนี่ยพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันจะ น, น่าไว้ใจไหมมีแต่ความทุกข์ไปที่ไหนมีแต่ลูกเหวียงระวังทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเต็มไปด้วยโกหกหาความ จ, จริงไม่ได้ เป็นหมออาจารย์หมอกสอนไปได้ทางที่ไม่ถูกต้องโกหกปิดวิชาตัวเองเอาไว้เราเดินไปตามที่หมออาจารย์หมอเขาบอกแต่ที่แท้เนี่ยเขาซ่อนเลนเขาไม่บอกวิชาโกหกเราอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้พวกเราเจอเข้าไปแล้วพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจพูด ง, ง่ายง่ายว่าเสียใจ เพราะการโกหกถ้าเราไปโกหกคนอื่นเขาล่ะเขาจะเสียใจไหมเขาก็เสียใจสรุปแล้วสินของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่ยแหละในสินข้อที่หสุราเมระยะมัชชะประมาททำไมพระพุทธเจ้าจึงมันหยัดสินข้อนี้สินข้อนี้เป็นสินที่อันตรายแต่ปากของเราเงินของเรามากินแต่กินเข้าไปแล้ว ตัวเองขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความเสียหายให้เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมไม่เป็นที่ไว้ใจของชุมชนและสังคมเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าถ้ามีอาวุธในมือก็พร้อมที่จะสังหารและยิงฆ่าใครก็ได้สิข้อที่หนึ่งกระจุยกระจายปาณาติปานอาทินาทานขโมยใครก็ได้เพราะคนขาดสติ อาเมสุมิชชาจารย์ละหลับ ล, ละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติแต่เราก็รู้วักดื่มน้ำเมากินยาบ้าคันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอี น, น โ, คโคเคนยาองยาไอสิ่งมันไม่ดีก็รู้อยู่แล้วว่ากินเข้าไปดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วมันจะต้องขาดสติทำไมเราจึงโง่ถึงขนาดนั้นจะไปเสพของที่มันขาดสติเราอยากจะเป็นบ้าเหรอ ไม่เป็นไม่อยากก็ต้องเป็นเพราะเสพเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เขามาศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์เราต้องนำมาคิดนำมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเมื่อเรากันกรองด้วยเหตุและผลแล้วเราก็ยับยั้งตัวเองสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทาอย่าพูด อย่าโกหกอย่าพูดอย่าทาเพราะมันไม่ถูกถ้าทาและพูดออกไปแล้วจะเดือดร้อนทั้งตนเองเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้ามาศึกษาทำคาสอนและเข้ามาบวชในคราวนี้เนี่ยหลวงพ่อจะยัดเยียดศีลธรรมและจะริยธรรมแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะพวกเราอยู่ทางโลกก็มีแต่วิชาอาชีพสอน เรื่องของแพทย์ของหมอแต่เข้ามาสู่ธรรมะเป็นเวลาน้อยนิดแต่หลวงพ่อก็พยายามเอาธรรมะแนวความคิดศีลธรรมจริยธรรมเข้าให้พวกเราได้ศึกษาเพื่อเป็นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะนำไปประพฤติธปฏิบัติแล้ววิชาอาชีพที่พวกท่านทั้งหลายได้เรียนมาก็ประกอบกันการดาเนินชีวิตก็จะไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น เขาเราไปจะไปด้วยกันแล้วจะมีแต่ความผาสุกจะไม่เดือดร้อนตนต่อไปภายภาคหน้าพอเรามีศีลธรรมเราคิดไว้อยู่เสมอเราทำไปนี่มันถูกไหมผิดไหมยับยัง้งจิตใจตลอดในขณะที่ทำถ้าบอกพวกเราได้ธรรมะมีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วพวกเราจะดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่น ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมเลยสินสมาธิทานศินภาวนาทานที่พูดเรื่องการอยู่ด้วยกันการสงเคราะห์กันนั่นคือทานแต่ศินนี่คือกดระเบียบคือศินห้าส่วนภาวนาเนี่ยทำจิตใจให้สงบทําจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอัตภาพร่างกายของเราเป็นอยู่อย่างไรเป็นไปอย่างไร มันจะจิรองถาวรยืนนานไปสักเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันอย่างพระในครั้งพระพุทธการพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปรารภเรื่องอุบาสกท่านหนึ่งอยู่ที่กรุงสาวัตถีอุบาสกท่านนั้นเป็นโรคผอมเหลืองเป็นป่วย ทั้งสามีภรรยาลูกเขาก็เห็นว่าป่วยจะเอาชีวิตไม่รอดจะทํำยังไงอุบาสกคนนั้นเขาก็บอกว่าเออข้าพเจ้าหายจากโรคเมื่อไรข้าพเจ้าจะบวชในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าจะออกบวชถ้าข้าพเจ้าหายจากโรคที่เป็นอยู่เนี่ยต่อมาเขาก็หายเพราะความตั้งใจของเขา อาจจะเป็นบุญบา ร, รมีของเขาเขาหมดกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตของเขาคงจะหมดเขาก็เลยได้บวชพอได้บวชไม่นานเขาก็บาเพ็ญอย่างสุดซึ่งเพราะว่าเห็นทุกข์เหลือเกินในขณะที่ป่วยเป็นโรคในเมื่อเป็นครวญแต่เมื่อร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นโทษว่าร่างกา ย, ยมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์เหลือเกินทุกข์จริง มันหาความสุขไม่ได้จริงๆพร้อมที่จะไหลไปสู่ความตายเท่านั้นเองแต่บัานนี้เราหายจากโรคแล้วเห็นโทษในการในร่างกายก็บบำเพงอย่างมากไม่นานเขาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในวัดป่าเชตะวันเขาก็สนทนากันว่าเอ้ยพระ องนี้แต่ก่อนท่านก็ป่วยจากนั้นก็ตั้งจิตไว้ว่าจะบวชท่านก็ได้บวชจริงๆเพราะได้บวชแล้วท่านก็บํา่ำเพ็ญอยู่ในความไม่ประมาทจนได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์โอ้หน้ายกย่องสรรเสริญพระสงฆ์เหล่านั้นพระพธองค์ได้ยินด้วยทิปปัวตะจะเด็จลงมาว่าพวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไร พระสงค์เหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยแต่ก่อนท่านก็ป่วยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่บัดนี้ท่านบวชเข้ามาไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นสาเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจา้าบอกว่าพระองค์นี้มาบวชในศาสนาของเราตถาคตก็ไม่น่าอัศจรรย์แต่สมัยก่อนหน้านี้เออ บัณฑิตนักปราศเขาเป็นอย่างพระองค์นี้แหละเขาไปอปําเพลนอยู่ในป่าเป็นลือศีอยู่ในป่าเขาก็ทําอย่างพระองค์นี้จนได้ฌานสมาบัติอันนั้นน่าสรรเสริญเพราะว่าไม่มีใครเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเขาพระเหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรพระเจ้าข่าวพระลือศีที่ออกไปบวช พระพุทธองค์ตรัสว่าสมัยหนึ่งมีคนป่วยเป็นเหลืองเบาเหลืองออตัวเหลืองป่วยหนัใกใครๆว่าชีวิตคงไม่รอดแน่แต่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าถ้าข้าหายเมื่ อ, อไรข้าจะออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า จากนั้นเขาก็แบบแข็งใจแบบสู้มียาอะไรก็กินตามที่มันมีมันเกิดขึ้นมาเขาก็หายพอหายเสร็จแล้วเขาก็ไปบําเพ็ญไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าพอเปชเป็นบําเพ็ญฤาษีในป่าเขาก็ได้ฌานสมาบัติได้ฌานสมาบัติเสร็จแล้วเขาก็เป็นวาจาก็มาโอ หนอ่อมีความสุขจริงๆก่อนหน้านี้เราเกือบเอาตัวไม่รอดเกือบตายแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเรามานึกย้อนหลังดูคนทั้งหลายบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่สำหรับเราเรามองดูแล้วเป็นของหน้าขยะกขยงเป็นของปฏิกูล เป็นของที่ไม่น่าไว้ใจไม่รู้ว่าวันไหนโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาอย่างที่เราผ่านมาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้มาบวชหรือว่าเราไม่หายจากโรคในครั้งนั้นเรากงจะไม่มาถึงวันนี้แต่เมื่อถึงวันนั้นมันไม่หายก็เหมือนกับดอกไม้ที่กบทิ้งทิ้งไปไว้ในหาดทราย กงจะเหี่ยวอับเฉาไปเรื่อยๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งหมดแต่บัดนี้เราได้หายจากโรคได้มาบําเพ็ญอยู่ในป่าจนได้ฌานสมาบัติแต่เรามองเห็นร่างกายแต่เรารู้ว่าร่างกายนเป็นของไม่ถาวรไม่ของไม่จิรังเต็มไปด้วยของอสุภะในร่างกายของเรามีแต่เลือดมีแต่เนื้อ มีแต่สุภาพติกลุทั้งนั้นแต่คนไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของเสร็จสวยงดงามแต่เราพิจารณาดูเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าร่างกายนี้หาความสวยงามไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เรายังหนุ่มเราก็ยังหลงแต่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ว่าจะหนุ่มอยู่ตลอดเวลามันจะต้องแก่เท่าชลาไปเรื่อยๆ ต่อไปภายภาคหน้าความชลาเข้ามาแล้วสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็จะเกิดขึ้นผมขาวฟันหลุดตาฝ้าฟางหูตึงหนังห้่นเดียวเหียวยน่นจะต้องได้ใช้ไม้เท้าในที่สุดผลที่สุดช่วยตนเองไม่ได้ต้องพยุงผลที่สุดก็พยุงก็ไม่ไหวร่างกายนี้เต็มไปด้วยแก่เจ็บตาย ในที่สุดคนไม่รู้กว่าร่างกายนี้เป็นของกิรังถาวรเป็นของเจ็สวยงวดงามประดับตกแต่งร่างกายปราดทั้งหลายมองดูแล้วไม่น่าไว้ใจเราเห็นแล้วไม่น่าไว้ใจฤาษีท่านนั้นท่านได้พิจรารณานอย่างถี่ถ้วนทบทวนจากท่านท่านก็พิจารณาเรื่องกายคาตาสติตลอดไป พร้อมกับผมมัิหารสีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพอตายจากเชนั้นท่านไปอยู่ไปขึ้นไปสูพรอมนี่แหละพระพุทธเจ้าตนวันเนี่ยหรือสีท่านนั้นท่านไม่ได้บวชท่านไม่รู้ศาสนาพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้ถึงจะเป็นคารวาสแต่เขายังได้ฟังธรรมเทศนาจากเราจากศาสนาของเราตถาคต เขาจะได้รู้แจ้งเห็นจริงจะได้ออกปวดแต่เราในข่าวนั้นหรือสีท่านนั้นเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเขาช่างคิดเขามองเห็นร่างกายเขามองเห็นได้ชัดว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอสุภะปฏิกูลจะต้องแตกตายสลายในที่สุดจะต้องถูกจูดินน้ำลงไฟไม่มีร่างกายไหนที่จะอยู่คงทน เป็นอนันตการไม่มีเขาเห็นได้ชัดจากนั้นเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายเขาเห็นกายยากตาสตินี่แหละบัณฑิตคนนั้นฤาษีท่านนั้นคือบัณฑิตช่างคิดคนทั้งหลายจะหาหาอย่างฤาษีอย่างนั้นหาความคิดอย่างนั้นหาได้ยากคนที่จะคิดได้อย่างนั้นแต่โดยมากมีแต่ติดในรูปในเสียงในรส ในสัมผัสสรุปแล้วก็คือติดร่างกายว่าเป็นของจิรังท้าวรของเสร็จสวยงดงามปราดบันดิตผู้รู้ว่าร่างกายในเป็นของไม่จิรังท้าววร น, นี่แหละพระองค์บอกว่าให้ท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูนะ จากนั้นฤาษีท่านเมื่อท่านตายไปแล้วก็ไปสู่พรหมโลกท่านบอกว่านะ่ะฤาษีนั้นคือเราตถาคตได้สวยพระชาติเป็นฤาษีนั้นอันนี้คือทรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบภาวนาคำนี้นะคำว่าภาวนาคำนีนะ้ต้องหาหลักเหตุผลมาหาักล้างใจของตนเอง ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นยังไงในเมื่อร่างกายของเราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่จืรังถาวรเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากนั้นใครไปให้ความสำคัญว่าร่างกายเป็นของสวยงามเป็นของสวยงามและก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครจากนั้นก็มาหาใจใจที่จะเห็นยาได้อย่างนั้นจิตใจต้องเป็นสมาธิ ต้องผ่านสมาธิก่อนจิตใจต้องเป็นหนึ่งก่อนหนึ่งจะทํำยังไงจึงจะเป็นหนึ่งได้ก็ต้องภาวนาอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านสอนพระกําหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจบริกรรมพุทโทกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นพื้นฐานในเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งภาวนาเมญปัญญา เมื่อภาวนามย์ปัญญาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วมาคิดพิจารณาร่างกายก็เห็นได้ชัดเพราะเหตุไรเพราะจิตใจของเราเป็นหนึ่งเออไม่ไม่ผ้ามันไม่แตกเออเหมือนกับไฟที่เขาจะตัดเหล็กนะฮะมีแก๊สมีลมมีไฟหมุนให้มันหลี่เป็นหนึ่งให้มันแหลม จากนั้นผ่าตัดเหล็กนห น, า, หนาแข็งๆมันทะลุเปื่อยทะลุไปหมดตัดได้มันก็ไม่ใช่ของแข็งอะไรมีตลมมีแก๊สมีไฟนี่ก็เหมือนกันสมาธิที่ทำจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวในเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาเรื่องอะไรมันจะเห็นได้ชัดเจนพิจารณากายก็เห็นใจกายอย่างชัดเจน ให้เห็นเป็นพิจารณาเป็นอสุภะก็เห็นชัดเจนไปนพิจารณากายของเรากายของเรานี่คืออะไรบางคนก็ว่าร่างกายของเราเนี่ยบางคนก็กลัวไปเห็นปา่าช้าก็กลัวกลัวปา่าช้าแต่มาพิจารณาดูให้ชัดเจนละว่าป่าช้าเนี่ยอยู่ในท้องของเราเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ไหนตัวสัตว์ไหนกองอยู่ในนี้เป็นสุสานใหญ่ที่สุดใช่ไหม ปลากี่ตัวอาหารกี่ตัวสัตว์กี่ตัวแต่ละวันมันฝังอยู่ในลาไส้ของเราเราได้คิดไหมจุดนี้ปลาชา้ามันฝังอยู่ในนี้สัตว์ทั้งหลายถ้ามันจะหลอกมัก็งจะหลอกเราไม่มีที่อยู่ที่หลับที่นอนเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายวิญญาณ น, นี่แหละ ถ้ากลัวป่าชัาคือกลัวท้องตัวเอง่กลัวกระดูกกระดูกคนกระดูกของเราก็เราก็นอนเฝ้าอยู่ตั้งแต่หัวจุดเท้ามันมีโครงกระดูกใช่ไหมเราถ้าเรากลัวโครงกระดูกก็ต้องกลัวโครงกระดูกเราด้วยเพราะเรามีโครงกระดูกอยู่อวัย ว, วะทุกส่วนตับปอดลำไส้อยู่ในตัวของเราทั้งหมดแน่ สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพิจารณาให้ถีทุวนให้เห็นชัดเจนในเมื่อเห็นร่างกายของตนเองเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟต้องไปเผาไฟทิ้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นก็ต้องใจใจคือน้ามธรรม ที่ไปพิจารณาไปเห็นไปรู้ไปเห็นเพราะใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วใจเมื่อกพิจารณาร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะในเมื่อพิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราขนาร่างกายของตัวเองแท้ๆออกมาจากท้องแม่แท้ๆอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเราคิดดูให้ดีเสว่าส่วนอื่นล่ะวงสาคนาญาติญาติมิจฉาหาย ตึกลานบ้านช่องเงินคำทรัพสมบัติยศฐานบรรดาศักสิ่งนอกกายมันจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องเผาไฟทิ้งใช่ไหมใจถามตัวผู้รู้ถามตัวผู้รู้รูนะ้ตัวผู้รู้ตัวนั้นผ่านความสงบมาแล้วผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้ว ผ่านกำหนดภาวนากรรมาฐานจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งมาแล้วเมื่อถามเข้าไปจะไม่ปฏิเสธยอมรับว่าร่างกายนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพอเห็นมาแล้วจะว่าร่างกายเป็นของจิรังถาวรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าใช่ก็จะแสดงว่าหลอกเขาเองอย่างจุดๆจะต้องบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายต้องเผาไฟทิ้ง ใช่ไหมใจใจก็ต้องไม่อยากจะรอมยอมรับมันก็ต้องยอมรับว่าใช่เมื่อผ่านความสงบแล้วมันต้องกินมันต้องอานฐานใช่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายของเราจะไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดสุขของส่วนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหมใจใช่ในเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วตรนี้ือย้อนสติย้อนปัญญา ปัญญาสติจุดนีนะ้เป็นจุดที่ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวระห่วงมหาสติมหาปัญญาใอ้เข้าว่าเป็นปัญญาที่เฉียบแหลมเป็นปัญญาที่อัตโนมัติย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ดูใจใจเนี่ยมันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะมหาสติมหาปัญญาหรือปัญญาที่เป็นอัตโนมัติ จาะเข้ามาหมุนเข้ามาหามาหาใจตัวนึกคิดก็จะมองเห็นจะรู้ได้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันในรายละเอียดมันไม่เที่ยงบางทีมันก็ดีใจบางทีมันก็เสียใจบางทีมันก็เศร้าหมองบางทีมันก็ผ่องใสเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นนเมื่อจิตของเราผ่านความสงบแล้วจาะเข้ามาดูใจท่ยเห็นได้ชัดเลย ใจของเราเนะี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมใจใจก็ต้องยอมรับใช่ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละอันนี้คือไม่ใช่ตัวตนของเราใจเนี่ยมันยังเป็นไตรลักษ์อยู่สิ่งไหนเป็นมันไม่เที่ยงเออมันเศ้าหมองผ่องใส ดีใจเสียใจอดูในใจสิ่งไหนที่พอใจก็ดีใจสิ่งไหนที่ไม่ไม่พอใจก็เสียใจมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเอดําขาวดําขาวดาวําขาวอยู่ในใจเศร้ามองผ่องใสเศร้าหมองผ่องใสอยู่ในใจอันนี้คือใจเป็นอเนจังอเ น, นจังของไม่เที่ยงจะมันเที่ยงได้อย่างไรเพราะมันมัน แปรปวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาในเมื่อมีสติของเราสติปัญญาของเราเข้มแข็งดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องว่าร่างใจดวงนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราใจดวงนี้เป็นอนัตตาสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปฏิเสธกระทั่งใจ ใ, ในเมื่อปฏิเสธแล้วอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เป็นธรรมเป็นธรรมะธาตุมันจะผุดขึ้นในจุดนั้นเหมือนกับเราไม่รู้หนังสือแต่เมื่อเรารู้หนังสือแล้วเมื่อเรารู้แล้วความไม่รู้มันก็ตกไปแต่ก่อนเราไม่รู้เพราะเราไม่เรียนไม่ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อเรารู้แล้วความรู้นั้นเกิดขึ้นมาความไม่รู้อภิชานั้นก็ตกไปตัวไม่รู้นี่แหละ สรุปแล้วก็คือวิ ช, ชากับอวิ ช, ชามันอยู่ในจุดเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านอันนี้คือธรรมะสูงสุดในหลักของพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าเราเป็นครวญญาโมเราเป็นพระอยู่อย่างหลวงพ่อถึงจะปฏิเสธภายในใจอย่างนั้นก็ปฏิเสธแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในใจของเรา แต่ภายนอกที่เราจะต้องอาศัยกันจะต้องอาศัยปัจจัยสี่เราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนี้นะท่านมาพิจารณาแยกแยะใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าผลสุดได้ตัดสู้เป็นพระอนุตระแต่ถึงยังไงพระองค์ก็ยังวางพระจาสนาเอาไว้คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามโลกสมมุติ โลกสมมติเขาทํำยังไงยิ่งรู้โลกสมมุติยิ่งกว่าคนธรรมดาเสอีกเพราะท่านรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักโลกนั่นคืออะไรท่านจะไม่ปฏิเสธแบบซื่อบื้อแล้วก็รู้แจ้งจริงจิงแล้วหันหลังให้ไม่รู้จักใครเลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นทำทำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทำเข้าได้กับทุกอนุของมนุษย์อนุของส ร, รพสัต เขาได้ทางจิตใจของคู่คนแต่ว่าทำคือทาโลกคือโลกเหมือนกันน้ำกับ น, น้ำมันอย่างนั้นแต่ก็ไม่ขัดข้องทําได้ดูได้ดูแลได้จัดการได้นี่แหละถ้าคนมีธรรมในใจแล้วเข้ากับใครก็ได้ทั้งหมดหมูหมากาไก่ได้ทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นคืออะไรใจที่มีกิเลสนั้นคืออะไร เพราะเราเคยพันการมีกิเลสมาแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมะที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราเป็นแนวความคิดเพื่อการศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินมาลักษณะอย่างนี้สายนี้เป็นอย่างนี้มีที่จบถ้าจบแล้วว่าอะเสกขะ ผู้ไม่ต้องศึกษาแปลว่าจบบริบูรณ์แล้วอะเสะียขาผู้ไม่ต้องศึกษาแต่ถ้ามาพวกเรายังไม่จบถึงจะเรียนปริญาเอกกี่แขนงก็ตามเถอะเรียนไปทางโลกอันนั้นยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเสียขาผู้ยังต้องศึกษาแต่ถ้ามาเรียนเรื่องของใจจบแล้วอันนี้แปลว่าอ่ะเสะียขาผู้ไม่ต้องศึกษาจบบริบูรณ์ ในการสำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอริยบุคคลคือพระรหัสไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วนี่ขอให้พวกเราทุกๆท่านที่มาศึกษาธรรมะให้ฟังเป็นแนวทางเอาไว้การพู ด, ด้วยการกล่าวส ม, มุดธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลาขอยุติ